เวทนาขันบัดนี้ผึงงซาวินิฉัยในข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าเวทนาที่เรียกว่าเวทนาขันเพราะรวมธรรมชาติที่มีการสวยรถอารมณ์เป็นลักษณะ ส, สิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันดังต่อไปนี้ธรรมชาติที่มีการสวยรถอารมณ์เป็นลักษณะ ก็คือเวทนานั่นเองดังพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าอาวุโสเพราะเหตุที่ธรรมชาตินั้นย่อมสวยรดอารมณ์ย่อมรู้สึกสุขทุกข์เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาดังนี้เวทนาหนึ่งเวทนาสามเวทนานั้น เมื่อว่าตามสภาพก็มีอย่างเดียวโดยลักษณะคือเสวยรสอารมณ์เมื่อว่าโดยชาติมีสามคือกุศลอกุศลและอัพยากฤตในเวทนาสามนั้นพึงทราบว่าเวทนาที่สามประยุติด้วยกุศลละวิญญาณที่กล่าวไว้โดยนยะว่าการมาวจจรวิญญาณมีแปดโดยต่างแห่งโสมนัสอุเบขา ญาณและสังขารดังนี้เป็นต้นจัดเป็นกุศลเวทนาที่สัมปะยุทธ์ด้วยอกุศลวิญญาณก็จัดเป็นอกุศลเวทนาที่สัมปะยุทธ์ด้วยอัพยากริตวิญญาณจัดเป็นอัพยากริเวทนาเวทนาห้าเวทนานั้นเมื่อแยกตามสภาพก็มีห้า คือสุขทุกโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาในเวทนาห้านั้นสุขสัมปยุต ด, ด้วยกายวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากทุกสัมปยุต ด, ด้วยกายวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากโสมนัสสัมปยุต ด, ด้วยวิญญาณ62คือฝ่ายกามาวจรวิญญาณกุศลสี่สเสหตุกะวิบากสี่ อเหตุกะวิบากหนึ่งสเหตุกกกิริยาสีอเหตุุกกกิริยาหนึ่งอกุศลสีรวมเป็นสิบแปดฝ่ายรูปาวจรวิญญาณกุศลสี่เว้นปัญจมฌานวิญญาณวิบากสี่กิริยาสีเป็นสิบสองฝ่ายโลกุตระวิญญาณ ที่ไม่ประกอบด้วยฌานหามีไม่เหตุนั้นโลกุตระวิญญาณ8จึงเป็นโลกุตระวิญญาณส0สด้วยอํานาจแห่งฌานห้าในโลกุตระวิญญาณส0สิบนั้นเว้นวิญญาณที่เป็นไปในปัญจมชฌานแเสียเหลือกุศ ล, ลวิบาก32สองรวมเป็น62โทมนัสสัมปยุต ด, ด้วยอกุศลวิญญาณสองอุเบกขาสัมปยุต ด้วยวิญญาณห้าสิบห้าที่เหลือลักษณะเป็นต้นของเวทนาห้าในเวทนาห้านั้นสุขมีการเสวยโลทพะอันนาปรัธนาเป็นลักษณะมีอันเพิ่มสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเป็นกิจมีความสบายทางกายเป็นผล มีกายินทรีสีเป็นเหตุใกล้ทุกมีการเสวยโผธภะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะมีลดสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายลงเป็นกิจมีความไม่สบายทางกายเป็นผลมีกายินทรีย์เป็นเหตุใกล้สมณัตมีอาการสวยอิฐหารมเป็นลักษณะ มีการเสวยสุขด้วยอาการพอใจไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเป็นกิจมีความสบายใจเป็นผลมีความระ ง, งับแห่งนามากายเป็นเหตุใกล้ทมนนัสมีการเสวยอนิธารมเป็นลนะักษณะมีการเสวยทุกข์ด้วยอาการไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกิจมีความไม่สบายใจเป็นผล มีหัตยวัทถูกเป็นเหตุใกล้โดยส่วนเดียวเท่านั้นอุเบกขามีการสวยมาชัดตารมเป็นลนะักษณะมีการไม่เพิ่มและไม่ลดสัมปยุต ธ, ธรรมเป็นกิจมีความละเอียดเป็นผลมีจิตที่ปราศจากปีติเป็นเหตุใกล้ นี่คือคามุกอย่างพิสดารในเวทนาขันสัญญาขันบัดนี้พึงทราบวินิจฉัยในข้อที่ว่าสัญญาขันที่เรียกอย่างนั้นเพราะรวมธรรมชาติที่มีความจำได้เป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันดังนี้ อันธรรมชาติที่มีความจำได้เป็นลักษณะก็คือสัญญานั่นเองดังพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าอาุโสเพราะเหตุที่รู้และจำได้นั้นจึงเรียกว่าสัญญาดังนี้สัญญาหนึ่งสัญญาสามสัญญาว่าตามสภาพก็มีอย่างเดียวโดยลักษณะคือจำได้ แต่ว่าด้วยชาติมีสาคือกุศลอกุศลและอัพยกฤิตในสัญญาสมนั้นสัญญาที่สัมปยุตด้วยกุศลวิญญาณจัดเป็นกุศลสัญญาที่สัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณจัดเป็นอกุศลสัญญาที่สัมปยุตด้วยอัพยกฤิตวิญญาณจัดเป็นอัพยกฤิต เพราะว่าวิญญาณที่ไม่ประกอบด้วยสัญญาหามีไม่ฉะนั้นประเภทแห่งวิญญาณมีเท่าใดประเภทแห่งสัญญาก็มีเท่านั้นแหละลักษณะเป็นต้นแห่งสัญญาสัญญามีประเภทเท่ากันกับวิญญาณเมื่อว่าโดยอาการมีลักษณะเป็นต้นสัญญาทั้งปวงนั้นมีความจําได้เป็นลักษณะ มีการทำเครื่องหมายไว้จำต่อไปว่านั่นคือสิ่งนั้นเป็นกิจดังช่างไม้ทำเครื่องหมายไว้ในตัวไม้เป็นอาทิมีการทำความมั่นใจตามเครื่องหมายที่ยึดไว้เป็นผลดังคนตาบอดคลำช้างมั่นใจตามเครื่องหมายที่ตนจับได้มีอารมณ์ที่ปรากฏเป็นเหตุใกล้ดังความจำที่เกิดขึ้นแก่ลูกเนื้อ ในหุ่นคนที่ผูกด้วยย่าว่าเป็นคนจริงๆฉะนั้นแหละนี้เป็นคามุกอย่างพิสดารในสัญญาขันสังขารขันส่วนข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าสังขารขันพึงทราบว่าเรียกอย่างนั้นเพราะรวมธรรมชาติ มีการผสมเจตสิกเป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันดังนี้บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ธรรมชาติที่ทำให้เป็นกลุ่มชื่อว่ามีการผรสมเป็นลนะักษณะธรรมชาตินั้นคืออะไรคือสังขาร น, นั่นเองดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกสุททั้งหลายเพราะธรรมะเหล่านั้น ยอมะสมสิ่งที่เป็นสังคตะแลจึงได้ชื่อว่าสังขารแปลว่าธรรมะผู้ประสมดังนี้ลักษณะแห่งสังขารสังขารเหล่านั้นมีการประสมเป็นลักษณะมีการประมวลเข้าเป็นกิจมีความเผยออกไปเป็นผล มีขันสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้สังขารหนึ่งสังขารสามสังขารทั้งหลายแม้เป็นอย่างเดียวโดยลักษณะเป็นต้นดังกล่าวมานี้แต่ว่าโดยชาติก็เป็นสามคือกุศลอกุศลและอัพยากฤษในสังขารสามนั้น สังขารที่สัมปยุตด้วยกุศลวิญญาณจัดเป็นกุศลที่สัมปยุต ด, ด้วยอกุศลวิญญาณจัดเป็นอกุศลสังขารที่สัมปยุต ด, ด้วยอัพยากฤิวิญญาณจัดเป็นอัพยากฤตกุศลสังขาร36ในสังขารเหล่านั้นก่อนอื่น สังขารที่สัมปยุตด้วยการมาประจรกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งคือวิญญาณที่สมณัสหคตะญาณสัมปยุตอสังขารมีสาสิบคือเป็นนิยตตมาในพระบาลีโดยรูปของตนคือไม่ปะปนยี่สิบเจ็ดเป็นเยาวาปนากะสี่เป็นอนิยตตาห้าในสังขารส6นั้น สังขารยีคือผัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติวิริยะชีวิตสมาธิสัทธาสติฮิริโอตปะอโลภะอโทสะ อ, อโมหะกายปสัสสติจิตตปสัสสติกายละหุตาจิตตะละหุตากายมุทุตาจิตตะมุทุตากายกรรมญตาจิตตกรรมัญยตา กายปะคุณยตาจิตตะประคุณยตากายุชุ ก, กตาจิตุชุ ก, กตาเหล่านี้เป็นนิยตะมาในพระบาลีโดยรูปของตนสังขารสี่คือฉันทะอธิโมกปนัสิกานตตระมชัตตานี้เป็นเ ย, ยวาวะปนกะคือเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ สังขารห้าคือกรุณามุทิตากายทุจ ร, ร จ, จริตวิรัตวจีทุจริตวิรัตมิชฌาชีวะวิรัตนี้เป็นอนิยตะเพราะสังขารห้านั้นย่อมเกิดในบางครั้งแม้เมื่อเกิดเล่าก็หาเกิดร่วมกันไม่จึงชื่อว่าอนิยตะ อาธิบายสังขาร36มิบยตาสังขารยี่สิบเจ็ดอธิบายพัสสะวินิจฉัยในบทเหล่านั้นสภาวะธรรมได้ ย, ย่อมถูกต้องเหตุนั้นสภาวะธรรมนั้นจึงชื่อว่าพัสสะในวงเล็บผู้ถูกต้องพัสสันี้นั้นมีการถูกต้องเป็นลักษณะ มีการทำให้กระทบกันเป็นกิจมีความร่วมกันเข้าแห่งจิตกับอารมณ์เป็นผลมีอารมณ์ที่มาปรากฏแห่งจิตเป็นเหตุใกล้จึงอยู่ผัสสะนี้แม้เป็นอรูปธรรมก็ย่อมเป็นไปในอารมณ์ด้วยอาการดุดถูกต้องจึงว่ามีการถูกต้องเป็นลักษณะอนหนึ่งผัสสะนั้น ม้ไม่ติดอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ยังจิตและอารมณ์ให้กระทบกันได้ดังรูปกระทบจกักรสุและเสียงกระทบหูฉะนั้นจึงว่ามีการทําให้กระทบกันเป็นกิจชื่อว่ามีความร่วมกันเข้าเป็นผลเพราะปรากฏด้วยอํานาจเหตุของตนกล่าวคือติกะสนิบาตความร่วมกันเข้าแห่งธรรมะสามคืออายตนะภายใน อายตนะภายนอกและวิญญาณชื่อว่ามีอารมณ์ที่มาปรากฏเป็นเหตุใกล้เพราะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่สมนนอาหารคือการประมวลความคิดอันควรแก่ผัสสะนั้นและอินทรีย์ด้วยช่วยกันแต่งให้โดยไม่มีระหว่างทีเดียวแต่ว่าโดยความเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาผัสสะนี้ บันดิตพึงเห็นเป็นดังแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มหนังเถิดอธิบายเจตนาธรรมชาติชนิดใดย่อมคิดอธิบายว่าย่อมผัวพันอารมณ์เหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าเจตนาคือธรรมชาติผู้คิดเจตนานั้น มีภาวะคือความจงใจเป็นลักษณะมีความเคลื่อนไหวเป็นกิจมีความจัดแจงเป็นผลคือยังกิจของตนและกิจของผู้อื่นให้สำเร็จดุดคนผู้ใหญ่มีสิทธิผู้ใหญ่ของทิสาปามโมกและในช่างไม้ใหญ่เป็นต้นก็แลเจตนานี้เมื่อเป็นโดยภาวะที่ยังสัมประยุติธรรมทั้งหลายให้แข็งขันขึ้น ย่อมปรากฏในเมื่อนึกถึงงานรีบด่วนเป็นต้นวิตกวิจารปีติคำใดพึงเป็นข้อที่ควรกล่าวในวิตกวิจารและปีติคำนั้นทั้งหมดข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในตอนพนานาปฐมฌานในปัตวีเกษนิเทศอธิบายวิริยะ ความกล้าชื่อว่าวิริยะวิริยานั้นมีความแข็งขันเป็นลนะักษณะมีการคำจุนสหาชาตธรรมทั้งหลายเป็นกิจมีภาวะไม่จมลงเป็นผลมีความสังเวชเป็นเหตุใกล้ตามพระบาลีว่าผู้มีความสังเวชแล้วย่อมทาความเพียรโดยแยบคายหรือว่ามีวัตถุแห่งวิริยารมภะ คือเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรเป็นเหตุใกล้ก็ได้วิริยะนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าบุคคลทำโดยถูกทางแล้วย่อมเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวงอธิบายชีวิตสหาชาติธรรมทั้งหลายย่อมเป็นอยู่ด้วยธรรมชาตินั้นเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าชีวิตแปล ว, ว่าธรรมชาติเครื่องเป็นอยู่แห่งสหชาตธรรมในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นเป็นอยู่เองเหตุนั้นจึงชื่อว่าชีวิตแป ล, แแปลว่าธรรมชาติผู้เป็นอยู่ในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นเป็นเพียงความเป็นอยู่เท่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าชีวิตแปล ว, ว่าความเป็นอยู่ ส่วนลักษณะเป็นต้นแห่งชีวิตนั้นพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในชีวิตแห่งรูปเถิดความต่างกันในชีวิตสองนั้นก็คืออันนั้นเป็นชีวิตแห่งรูปประทรมทั้งหลายอันนี้เป็นชีวิตแห่งอรูปปรรม ท, ทั้งหลายเท่านั้นเองอธิบายสมาธิ อัตตะแห่งสมาธิสัพ์ธรรมะใดตั้งจิตไว้เสมอในอารมณ์เหตุนั้นธรรมะนั้นชื่อว่าสมาธิคือธรรมะผู้ตั้งจิตไว้เสมอในยะหนึ่งธรรมะใดตั้งจิตไว้โดยชอบในอารมณ์เหตุนั้นธรรมะนั้นจึงชื่อว่าสมาธิคือธรรมะผู้ตั้งจิตไว้โดยชอบ ในยะหนึ่งธรรมชาติที่ชื่อว่าสมาธินั้นก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตเท่านั้นเองลักษณะแห่งสมาธิสมาธินั้นมีความไม่พล่านไปเป็นลักษณะหรือว่ามีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะก็ได้มีการประมวลสหาชาติธรรมทั้งหลายไว้ให้เป็นกลุ่มเป็นกิจ ดุดน้ำผนึกเอาจุนสำหรับสมานไว้ให้เป็นก้อนฉะนั้นมีความสงบระงับเป็นผลมีความสุขเป็นเหตุใกล้โดยพิเศษสมาธินี้บัณฑิตพึ่งเห็นว่าเป็นความตั้งอยู่แห่งจิตดุดความตั้งอยู่แห่งเปเลวประทีพในที่ไม่มีลมฉะนั้น อธิบายศรัทธาบุคคลทั้งหลายยอมเชื่อด้วยธรรมชาตินั้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าศรัทธาแปลว่าธรรมชาติเป็นเหตุเชื่อในยาตหนึ่งธรรมชาตินั้นยอมเชื่อเองเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าศรัทธาแปลว่าธรรมชาติผู้เชื่อ ในยะหนึ่งธรรมชาตินั่นเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าศรัท ธ, ธาแปลว่าความเชื่อลักษณะแห่งศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธานั้นมีความเชื่อเป็นลักษณะหรือว่ามีความวางใจเป็นลักษณะก็ได้มีการทำให้ใสเป็นกิจดังแก้อุทกกะภาษาธกะ คือแก้วทำน้ำให้ใสหรือว่ามีความแล่นไปตามอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อเป็นกิจดุดลล่นไปคือไหลลอยตามกระแสน้าอันเชี่ยวในการข้ามห่วงน้ำที่บ่ามาฉะนั้นมีความไม่ขุนมัวเป็นผลหรือว่ามีอธิมุตคือความตัดสินใจเป็นผลก็ได้มีสัตยยาวัตถุ วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อเป็นเหตุใกล้หรือว่ามีโสตาปฏิยังคะมีสัตทธรรมสวนะเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ก็ได้ศรัทธานี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นเหมือนมือเหมือนทราบเครื่องปลื้มใจและเหมือนพืชเะนั้นอธิบายสติ บุคคลทั้งหลายย่อมระลึกได้ด้วยธรรมชาตินั้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าสติแปลว่าธรรมชาติเป็นเหตุระลึกได้ในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นย่อมระลึกได้เองเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าสติแปลว่าธรรมชาติอนระลึกได้ในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นสักว่าเป็นอนระลึกได้เท่านั้น เหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าสติแปลว่าความระลึกได้สตินั้นมีความไม่ใจลอยเป็นลักษณะมีอันทําไม่ให้หลงลืมเป็นกิจมีอันคุ้มครองใจไว้ได้เป็นผลหรือมีความเป็นเหตุมุ่งหน้าจดจ่อต่ออารมณ์ของจิตเป็นผลก็ได้มีความจํามั่นคงเป็นเหตุใกล้ หรือว่ามีสติปัฏฐานมีกายเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ก็ได้อันสตินี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นเหมือนเสาเขื่อนเพราะปักลงไปมั่นคงในอารมณ์และเป็นเหมือนนายประตูเพราะรักษาทวารมีจักขุทวารเป็นอาธิ อธิบายหิริโอตตา ป, ปะธรรมชาติใดย่อมละอายเพราะความประพฤติ ช, ชั่วมีกายทุจริตเป็นต้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าหิริคำว่าหิรินั่นเป็นคำเรียกความละอายธรรมชาติใดย่อมกลัวเพราะความประพฤติ ช, ชั่วเหล่านั้นล่ละเหตุนั้นธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่าโอตตะ ป, ปะคําว่าโอตตะ ป, ปะนั้นเป็นคําเรียกความหวาดกลัวต่อบาปลักษณะแห่งหิริโอตตะ ป, ปะในหิริและโอตตะ ป, ปะนั้นฮิริมีความเกลียดแต่บาปเป็นลนะักษณะโอตตะ ป, ปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลนะักษณะ พิริมีความไม่ทําบาปทั้งหลายโดยอาการละอายเป็นกิจอดตปะมีความไม่ทําบาปทั้งหลายโดยอาการสะดุ้งกลัวเป็นกิจอันหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นมีอันหดกลับจากบาปโดยประการที่กล่าวแล้วนั้นเป็นผลมีความเคารพตนและความเคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้จริงอยู่ บุคคลทำตนให้เป็นที่เคารพจึงละบาปได้ด้วยความละอายดุดกุลละพัทูทำคนอื่นให้เป็นที่เคารพจึงละบาปได้ด้วยความสะดุ้งกลัวดุดหญิงแพทยสยามชนนั้นก็แลธรรมะสองประการนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นโลกะปาลกะธรรม อธิบายอโลพะอโทสะอโมหะสัตว์ทั้งหลายไม่โลภด้วยธรรมะนั้นเป็นเหตุธรรมะนั้นจึงชื่อว่าอโลพะแปลว่าธรรมะเป็นเหตุไม่โลภแห่งสัตว์ทั้งหลายในยะหนึ่งธรรมะใดไม่โลภอยู่เองธรรมะนั้นชื่อว่าอโลพะแปลว่าธรรมะอันไม่โลภ ในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นสักว่าเป็นอันไม่โลภเท่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าอะโลภาแปลว่าความไม่โลภแม้อโทสะและอโมหะก็ในยะเดียวกันลักษณะแห่งอะโลพาอโทส ะ, อ โ, ทะอโมหะในธรรมะสามประการ น, นั้นอโลพะมีความที่จิตไม่กำหนด ไม่อยากได้ในอารมณ์เป็นลักษณะในยะหนึ่งมีความที่จิตไม่ติดข้องอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะประหนึ่งหยาดน้ําไม่ติดในกลีบบัวฉะนั้นมีความไม่หวงแหนในอารมณ์เป็นกิจประหนึ่งภิกษุผู้พ้นแล้วจากขรวาะกิจไม่หวงแหนวัตถุแห่งขรวาะฉะนั้นมีความต้องการในอันไม่ติดแช่อยู่ในอารมณ์เป็นผล ประหนึ่งคนที่ตกอยู่ในที่โสโครกไม่ต้องการจะติดแช่อยู่ในที่โสโครกนั้นฉะนั้นอโทศะมีความไม่ดุร้ายเป็นลักษณะในยะหนึ่งมีความไม่ถือผิดเป็นลักษณะประหนึ่งมิตรผู้อารีฉะนั้นมีอันขจัดความอาฆาตเสียได้เป็นกิจในยะหนึ่งมีอันขจัดความรุ่มร้อนเสียได้เป็นกิจ ประหนึ่งไม้จันอันมีรสเย็นฉะนั้นมีโสมภาพคือความสุภาพความเยือกเย็นเป็นผลประหนึ่งรจันเพนมีรัสมีเย็นฉะนั้นอมโมหะมีความรู้แจ้งแทงตลอดตามสภาพแห่งธรรมเป็นลนะักษณะในยะหนึ่งมีความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ผิดพลาดเป็นลนะักษณะประหนึ่งการแทงทะลุตรงเป้า แห่งลูกธนูที่นายขมังธนูผู้ฉลาดยิงไปฉนั้นมีอันสองอารมณ์ให้เห็นตามสภาพเป็นกิจประหนึ่งประทีปฉนั้นมีความไม่หลงลืมเป็นผลประหนึ่งผู้ชี้ทางที่ชำนาญชี้ทางแก่คนไปป่าฉนั้นอันธรรมะทั้งสามนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นมูลแห่งกุศ ล, ลธรรมทั้งปวง อธิบายกายปัสสิจิตตะปัสสิความระ ง, งับแห่งกายชื่อว่ากายปัสสิความระ ง, งับแห่งจิตชื่อว่าจิตตะปัสสิแต่คำว่ากายในบทกายปัสสินี้ประสงค์เอาขันสามมีเวทนาเป็นต้นก็แลกายปัสสิและจิตตะปัสสิ รวมเข้าด้วยกันทั้งสองนั้นมีความระงับไปแห่งความเร่าร้อนกายและจิตเป็นลักษณะมีอันบีบเอาความเร่าร้อนกายและจิตออกไปเป็นกิจมีความเยือกเย็นโดยไม่มีความกระวนกระวายกายและจิตเป็นผลมีกายและจิตเป็นเหตุใกล้กายปัสัิและจิตตปัสัินี้บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีอุทจจะเป็นอาทิอันทําความไม่ระงับแห่งกายและจิตอธิบายกายลหุตาจิตตาลหุตาความเบาแห่งกายชื่อว่ากายลหุตาความเบาแห่งจิตชื่อว่าจิตตาลหุตา กายะละหุตตาและจิตตาละหุตานั้นมีความเข้าไประ ง, งับแห่งความหนักของกายและจิตเป็นลนักษณะมีอันบีบเอาความหนักแห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจมีความไม่อืดอาดแห่งกายและจิตเป็นผลมีกายและจิตเป็นเหตุใกล้ละหุตานี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส มีทีนมิทธะเป็นต้นที่ทําความหนักแห่งกายและจิตอธิบายกายามุทุตาจิตตมุทุตาความอ่อนแห่งกายชื่อว่ากายามุทุตาความอ่อนแห่งจิตชื่อว่าจิตตมุทุตา กายามุทุตาและจิตตมุทุตานั้นมีความเข้าไประ ง, งับแห่งความกระด้างของกายและจิตเป็นลักษณะมีอันบีบเอาความกระด้างแห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจมีความไม่ขัดข้องเป็นผลมีกายและจิตเป็นเหตุใกล้มุทุตานี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส มีทิฏฐิละมานะเป็นต้นที่ทำความกระด้างแห่งกายและจิตอธิบายกายกรรมยญญตาจิตตะกรรมยญญตาความควรแก่การงานแห่งกายชื่อว่ากายกรรม ญ, ญตาความควรแก่การงานแห่งจิตชื่อว่าจิตตะกรรม ญ, ญตา กายกรรมมัญญาตาและจิตกรรมมัญญาตานั้นมีความเข้าไประ ง, งับแห่งความไม่ควรแก่การงานของกายและจิตเป็นลักษณะมีอันบีบเอาความไม่ควรแก่การงานของกายและจิตออกไปเป็นกิจมีความถึงพร้อมแห่งการทำอารมณ์เป็นผลมีกายและจิตเป็นเหตุใกล้กรรมมัญญาตานี้ บันดิตพึงทราบว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีนิวรณ์ที่เหลือเป็นต้นที่ทําความไม่ควรแก่การงานแห่งกายและจิตนำมาซึ่งความเลื่อมใสในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสทั้งหลายนำมาซึ่งความควรแก่อันประกอบด้วยประการต่างๆในการทําประโยชน์ทั้งหลายดังความหมดจดจากมวลทินแห่งทองควรแก่อันประกอบเป็นอลังการต่างๆชนิดฉะนั้น อธิบายกายปาคุยตาจิตตาปาคุยตาความคล่องแห่งกายชื่อว่ากายปาคุยตาความคล่องแห่งจิตชื่อว่าจิตตาปาคุยตากายปาคุยตาและจิตตาปาคุยตานั้นมีความไม่เป็นไข้แห่งกายและจิตเป็นลักษณะ มีอันบีบเอาความเป็นไข่แห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจมีความไร้โทษแห่งกายและจิตเป็นผลมีกายและจิตเป็นเหตุใกล้ปาคุณยตานี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อบาปธรรมมีอาสาทิยะเป็นต้นที่ทำความเป็นไข้แห่งกายและจิต อธิบายกายยุชุ ก, กตาจิตตุชุ ก, กตาความตรงแห่งกายชื่อว่ากายุชุ ก, กตาความตรงแห่งจิตชื่อว่าจิตตุชุ ก, กตากายยุชุ ก, กตาและจิตตุชุ ก, กตานั้นมีความซื่อตรงแห่งกายและจิตเป็นลักษณะ มีอันบีบเอาความคดแห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจมีความไม่คดแห่งกายและจิตเป็นผลมีกายและจิตเป็นเหตุใกล้อุชุ ก, กตานี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปกิเลสมีมายาและสาทายะเป็นต้นที่ทำความคดโกงแห่งกายและจิต เยวาปนกะสังขารสี่หนึ่งฉันทะคำว่าฉันทะนั้นเป็นคำเรียกกัตุกรรมยตาคือความใคร่จะทำเพราะเหตุนั้นฉันทะนั้นจึงมีความใคร่จะทำเป็นลักษณะมีอันสแสวงหาอารมณ์เป็นกิจมีความต้องการด้วยอารมณ์เป็นผล อารมณ์นั้นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของฉันทะนั้นอันฉันทะนี้ในการจะถือเอาอารมณ์บบณดิตพึงเห็นว่าเหมือนใจยื่นมือออกไปฉะนั้นสองอธิโมกความน้อมใจเชื่อชื่อว่าอธิโมกอธิโมกนั้น มีการลงความเห็นเป็นลักษณะมีอันไม่รวนเรเป็นกิจมีความตัดสินใจเป็นผลมีสันนิษฐายธรรมคือเรื่องที่จะต้องลงความเห็นเป็นเหตุใกล้อธิมโมกนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นดังเสาเขื่อนเพราะความที่นิ่งอยู่ในอารมณ์ 3. ม, มนณสิการการทำชื่อว่าการทำอารมณ์ในใจชื่อว่ามณสิการในยะหนึ่งเจตสิกธรรมใดย่อมทำใจให้ไม่เหมือนใจเดิมคือใจผวังเหตุนี้เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อว่ามณสิการแปลว่า เจตสิกธรรมอันทำใจให้ผิดเดิมดังนี้ก็ได้มณสิการนี้นั้นมีสามประการคืออารัมมณะปฏิปาธกะมณสิการอันจัดแจงในอารมณ์วิถีปฏิปาธกะมณสิการอันจัดแจงในวิถีจิตชาวนะปฏิปาธกะมณสิการอันจัดแจงในชาวนะจิต ในมณนสิการสามนั้นอารัมมณปฏิปาทกะชื่อว่ามณสิการเพราะทำอารมณ์ไว้ในใจอารัมมณปฏิปทาการมณสิการนั้นมีการยังสัมปยุตรธรรมทั้งหลายให้แล่นไปคือมุ่งหน้าสู่อารมณ์เป็นลักษณะมีอันผูกสัมปยุตรธรรมทั้งหลายไว้ในอารมณ์เป็นกิจมีความจดจ่อต่ออารมณ์เป็นผล มีอารมณ์เป็นเหตุใกล้มณสิการนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นธรรมะจัดเข้าในสังขารขันเพราะความเป็นธรรมะอย่างสัมปยุต ธ, ธรรมให้ดำเนินไปในอารมณ์ดุดสารถีอย่างม้าให้แล่นไปฉะนั้นส่วนคำว่าวิถีปฏิปาทกะคือมณสิการอันจัดแจงในวิถี นั่นเป็นคำเรียกปัญจทวาราวัชนะคำว่าชวนปฏิปาทกะมณสิการอันจัดแจงในชาวนะนั่นเป็นคำเรียกมโนทวาราวัชนะมณสิการทั้งสองนั้นไม่ประสงค์เอาในที่นี้สตัตระมชัช ต, ตา ความเป็นกลางในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าตัตระมะชัตตาต า, ต, ตานั้นมีการนำจิตและเจตสิกทั้งหลายไปโดยเสมอเป็นลักษณะมีอันห้ามเสียซึ่งความหย่อนและความยิ่งเป็นกิจหรือในยะหนึ่งมีอันเข้าไปตัดเสียซึ่งความตกไปเป็นฝักฝ่ายเป็นกิจ มีความเป็นกลางเป็นผลตัตรมชตัชตะตานี้โดยที่เป็นความวางเฉยแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นเหมือนสารถีผู้เพ่งดูอยู่เฉยๆซึ่งม้าอาชาในเทียมรถที่วิ่งไปเรียบแล้วฉะนั้น น, นิยตสังขารห้าข้อที่หนึ่งและสองารุณาและมุทิตาการุณาและมุทิตาพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในพรมวิหานิเทศเถิดแท้จริงความแปลกกันก็มีเพียงว่าการุณาและมุทิตาในพรมวิหารนั้นเป็นรูปาวจรถึงอัปปนา ส่วนการุณาและมุทิตาในอนิจจยสังขานี้เป็นการมาวจรเท่านี้เองแต่อาจารย์บางพวกก็ต้องการเอาเมตตาและอุเบกขาเข้าในอนิยตาสังขารด้วยคำของอาจารย์เหล่านั้นไม่ควรถือเอาเพราะว่าโดยความแล้วเมตตาก็คืออโทสะอุเบกขาก็คือตัตระมัชัดตุเบกขานั่นเองแล ข้อที่สามสี่และห้ากายทุจริตวิรัตเป็นต้นความเว้นจากกายทุจริตชื่อว่ากายทุจริตวิรัตแม้ในวิรัตที่เหลือก็ในยะนี้ส่วนว่าโดยอาการมีลักษณะเป็นอาทิวิรัตทั้งสามนั้นมีความไม่ก้าวล่วงวัตถุแห่งทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้น มีอธิบายว่าไม่ทำลายวัตถุเหล่านั้นเป็นลักษณะมีอันศยิวคือทำหน้านิ้วและกิริยาเกลียดชังแต่วัตถุแห่งทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นเป็นกิจมีความไม่กระทาเป็นผลมีคุณธรรมมีศรัทธาฮิริโอตตะและอปิชตาเป็นอาธิเป็นเหตุใกล้ วิรัตนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นภาวะที่จิตเบือนหน้าจากการทำบาปก็ได้สังขารอะไรสัมปโยคะกับกุศลวิญญาณดวงไหนสังขารสามสิบหกดังกล่าวมานี้แลพึงทราบว่า ถึงความสัมปโยคะกับกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งคือวิญญาณที่เป็นสมณสหคตะญาณสัมปยุทธอสังขารก็แหละสังขารที่สัมปโยคะกับกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งเป็นชั้นใดแม้ที่สัมปโยคะกับกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่สองก็เป็นฉันนั้นความแปลกในวิญญาณดวงที่สองนี้ มีเพียงแต่ว่าเป็น ส, สัสงขารเท่านั้นส่วนสังขารเว้นอโมหะที่เหลือสามสิบห้าพึงทราบว่าสัมปโยคะกับวิญญาณดวงที่สามคือโสมนัสหคตะยาณวิปยุตสังขารที่สัมปโยคะกับวิญญาณดวงที่สี่ก็อย่างนั้นแปลกแต่ในวิญญาณดวงที่สี่นี้เป็น ส, สัสงขารเท่านั้น ส่วนว่าในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในวิญญาณดวงที่หนึ่งสังขารเว้นปีติที่เหลือย่อมถึงความสัมปโยคะกับวิญญาณดวงที่ห้าคืออุเบกขาสหคตะญาณสัมปยุทธอสังขารและแม้ที่สัมปโยคะกับวิญญาณดวงที่ห ก, ก็เช่นเดียวกับที่สัมปโยคะกับวิญญาณดวงที่ห้าด้วยว่าในวิญญาณดวงที่หกนั้น ก็มีแปลกแต่เพียงเป็นสัสังขารเท่านั้นส่วนสังขารเว้นอโมหะที่เหลือพึงทราบว่าสัมปโยคะกับวิญญาณดวงที่เจ็ดคืออุเบกขาสหัคตะยานวิประยุต์อสังขารที่สัมปโยคะกับวิญญาณดวงที่แปดก็อย่างนั้นแปลกแต่ในวิญญาณดวงที่แปดนั้นเป็นสัสังขารเท่านั้น ส่วนว่าในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในการมาวจรกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งสังขารเว้นวิรัตสามที่เหลือส3สาถึงความสัมประโยคนกับปฐมวิญญาณในรูปปาวะจรกุศลแต่นั้นสังขารทั้งหลายเว้นวิตกเหลือสสองสัมประโยคนกับทุติยวิญญาณแต่นั้นสังขารเว้นวิจารเหลือสเอ็ด สัมปโยคะกับตติยวิญญาณแต่นั้นสังขารเว้นปีติเหลือสามสิบสัมปโยคะกับจตุตถวิญญาณแต่นั้นสังขารเว้นกรุณาและมุทิตาในฝ่ายอนิทะยสังขารเหลือ28สสัมปโยคะกับปัญจมวิญญาณสังขารในอรูปกุศลวิญญาณสี่ ก็คือสังขารในรู ป, ปาวจระปัญจมะวิญญาณเหล่านั้นแลด้วยว่าความเป็นอรู ป, ปาวจรเท่านั้นเป็นความแปลกในอรูปกุศลนั้นในโลกุตระวิญญาณทั้งหลายสังขารในมรรควิญญาณที่มีปฐมฌานพึงทราบ โดยนัยยะที่กล่าวในปฐมรูปาวจระวิญญาณเป็นข้อแรกข้อต่อไปสังขารในมรรคะวิญญาณอันต่างโดยเป็นมรรคะวิญญาณที่มีทุติยชาญเป็นต้นก็พึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวในวิญญาณเป็นลำดับไปมีทุติยรูปาวจระวิญญาณเป็นต้นเหมือนกันแต่นี่เป็นความแปลกในโลกุจระวิญญาณนี้ คือการุณาและมุทิตาไม่มีหนึ่งวิรัตเป็นนิตยะหนึ่งเป็นโลกุตระหนึ่งสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลเท่านั้นบันดิตพึงทราบโดยประการที่กล่าวมาฉนั้นเป็นอันดับแรกอากุศลสังขารโลภะมูลสิบเจ็ด ในอากุศลสังขารทั้งหลายก่อนอื่นสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอากุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งในโลพะมูลคือวิญญาณที่เป็นโสมนัสหัคตะทิฐิคตะสัมปยุทธ์อสังขารมีส7เจ็ดคือเป็นนิยตะมาโดยรูปของตนส3บสาเป็นเยวาปนากะสีในอากุศลสังขาร17นั้นสังขารส3บสาม คือพัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติวิริยะชีวิตสมาธิอหิริกะอโนตัปปะโลภะโมหะและมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นนิยตะมาโดยรูปของตนสังขารสี่คือฉันทะอธิโมกุทธะและมณสิการนี้เป็นเยวาปนากะ อธิบายอากุศลสังขารโลภะมูลบางข้ออธิบายในอกุศลสังขารเหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบดังต่อไปนี้อหิริกะอโนตัปปะบุคคลใดไม่ละอายเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่าอาหิริโก แปลว่าผู้ไม่ละอายความเป็นแห่งผู้ไม่ละอายชื่อว่าอหฮิริกะแปลว่าความไม่อายความไม่กลัวชื่อว่าอโนตัะปะในสองอย่างนั้นอหฮิริกะมีความไม่รังเกียจแต่ทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นเป็นลนะักษณะหรือว่า มีความไม่ละอายแต่ทุจริตทั้งหลายเป็นลักษณะก็ได้อโนตปปะมีความไม่พรั่นแต่ทุจริตทั้งหลายนั่นแหละเป็นลนะักษณะหรือว่ามีความไม่สะดุ้งกลัวแต่ทุจริตทั้งหลายนั้นเป็นลักษณะก็ได้นี่เป็นความสังเขปในอฮิริกะและอโนตปปะนั้นส่วนความพิสดารพึงทราบโดยทานองความที่ตรงกันข้าม กับความแห่งฮิริและอดตปะที่กล่าวแล้วนั่นเถิดโลภะโมหะสัตว์ทั้งหลายย่อมโลภด้วยเจตสิกธรรมนั้นเป็นเหตุเจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อว่าโลภะแปล ว, ว่าธรรมะเป็นเหตุโลภแห่งสัตว์ทั้งหลายในย่าหนึ่ง เจตสิกธรรมใดย่อมโลภอยู่เองเจตสิกธรรมนั้นชื่อว่าโลภะแปลว่าธรรมะอันโลภในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นสักว่าเป็นอันโลภเท่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าโลภะแปลว่าความโลภสัตว์ทั้งหลายย่อมหลงด้วยเจตสิกธรรมนั้นเป็นเหตุ เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อว่าโมหะแปล ว, ว่าธรรมะเป็นเหตุหลงแห่งสัตว์ทั้งหลายในยะหนึ่งเจตสิกธรรมใดย่อมหลงอยู่เองเจตสิกธรรมนั้นชื่อว่าโมหะแปล ว, ว่าธรรมะอันหลงในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นสักว่าเป็นอันหลงเท่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าโมหะแปล ว, ว่าความหลง ในโลภะและโมหะนั้นโลภะมีความยึดอารมณ์ไว้เป็นลักษณะดุดตังสําหรับดักลิงยึดลิงที่มาถูกต้องเข้าไว้ฉะนั้นมีอันตั้งหน้าก่อติดไปเป็นกิจ ด, ดุดชิ้นเนื้อที่คนโยลงไปในกระทะอันร้อนก็ตั้งหน้าติดไหมไปในกระทะนั้นฉะนั้นมีอันไม่ยอมสละเป็นผลดุดสีป้ายตาผสมน้ํามัน ปลายล้วติดล้างออกอยากฉะนั้นมีความเห็นว่าน่ายินดีในสัญโยชนียธรรมทั้งหลายเป็นเหตุใกล้โลภะนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเมื่อมันขยายตัวขึ้นจนเป็นแม่น้ำคือตันหาก็มีแต่พาไปนรกเท่านั้นดังแม่น้ำมีกระแสอันเชี่ยวก็มีแต่พาไปสู่มหาสมุทรฉะนั้น โมหะมีความบอดแห่งจิตเป็นลนะักษณะในยะหนึ่งมีความไม่รู้เป็นลนะักษณะมีความไม่เข้าใจตลอดเป็นกิจในยะหนึ่งมีอันปกปิดเสียซึ่งสภาพแห่งอารมณ์เป็นกิจมีความปฏิบัติไม่ชอบเป็นผลในยะหนึ่งมีความมืดคือโง่เขลาเป็นผล มีความทำในใจโดยไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้โมหะนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นมูลแห่งอกุศลทั้งปวงมิจฉาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นผิดด้วยธรรมชาตินั้นเป็นเหตุธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิแปล ว, ว่าธรรมชาติเป็นเหตุเห็นผิดแห่งสัตว์ทั้งหลายในยะหนึ่งธรรมชาติใดยอ่อมเห็นผิดอยู่เองธรรมชาตินั้นชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิแปล ว, ว่าธรรมชาติอันเห็นผิดในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นสักว่าเป็นอันเห็นผิดเหตุนั้นจึงชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิแปล ว, ว่าความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐินั้นมีความยึดมั่นโดยไม่ถูกทางเป็นลักษณะมีอันจับเอาผิดผิดเป็นกิจมีความปักใจผิดเป็นผลมีโทษอันมีความไม่อยากเห็นพระอริยะทั้งหลายเป็นต้นเป็นเหตุใกล้มิจฉาทิฏฐินี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นบรมวัชชะคือมีโทษอย่างยิ่ง อุทธจักความที่จิตฟุ้งซ่านชื่อว่าอุทธจักรอุทธจักนั้นมีความไม่สงบราบเป็นลักษณะดุดน้ํากระเพื่อมเพราะลมตีฉะนั้นมีความไม่หยุดนิ่งเป็นกิจดุดทงและผืนผ้าอันโบกสะบัดเพราะลมต้องฉะนั้นมีอาการหมนุนกระจัดกระจายไปเป็นผล จุดเท่าอันฟุ้งกระจายเพราะถูกทุ่มด้วยก้อนหินฉะนั้นมีความทำในใจโดยไม่แยบคายเพราะความไม่สงบลงแห่งใจเป็นเหตุใกล้อุทจจานี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นความซัสดสายไปมาแห่งจิตอกุศลสังขารที่เหลือพึงทราบโดยในยะที่กล่าวแล้วในกุศลสังขารเถิด ด้วยว่าความเป็นอกุศลและความเป็นเจตสิกธรรมเลวทรามด้วยความเป็นอกุศลเท่านั้นเป็นความแปลกของมันจากกุศลสังขารเหล่านั้นสังขารอะไรสัมปโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงไหนสังขารสิบเจ็ดดังกล่าวมานี้พึงทราบว่า ถึงความสัมพโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งในโลภะมูลคือวิญญาณที่เป็นโสมนัสหคตะทิฏฐิคตะสัมปยุทธอสังขารก็แหลสังขารที่สัมพโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งนี้เป็นชันใดแม้ที่สัมพโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่สองก็เป็นฉั้นนั้นส่วนว่าความต่าง ในอกุศลวิญญาณดวงที่สองนี้ก็คือความเป็นสัจสังขารและถีนมิทะเป็นอนิยตะทีนมิทะในทีนมิทะนั้นความท้อแท้ชื่อว่าถีนะความง่วงงุนชื่อว่ามิธะขยายความว่ากิริยาที่ม้วนกลับ คือถอยเสียด้วยหมดอุตสาหะมิถะก็คือทลายลงคือเลิกล้มเสียด้วยหมดความสามารถทีนะด้วยมิถะด้วยรวมกันชื่อว่าทีนะมิถะในสองอย่างนั้นทีนะมีความไม่มีอุตสาหะเป็นลักษณะมีอันคลายความเพียรเสียเป็นกิจมีอันจมอยู่เป็นผลมิถะ มีความไม่ควรแก่การงานคือไม่คล่องแคล่วเป็นลักษณะมีอันปิดทวาลงเป็นกิจมีอันหูเข้าเป็นผลหรือว่ามีอันหลับโงกเป็นผลก็ได้ทั้งสองอย่างด้วยกันมีความทำในใจโดยไม่ถูกทางในเพราะความไม่ยินดีในกุศ ล, ลธรรมและความคร้านกายเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งสังขารเว้นมิจฉาทิฏฐิที่เหลือสิบหกพึงทราบว่าสัมภโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่สามคือสมณะสหัคตะทิฏฐิขตะวิปยุติอสังขารแต่มานะในอกุศลวิญญาณดวงที่สามนี้เป็นอนิยตะนี่เป็นความแปลก มานะมานะนั้นมีความยิ่งเป็นลนะักษณะมีความยกตัวเป็นกิจมีความใคร่เป็นเช่นธงคืออยากเด่นเป็นผลมีโลภะที่เป็นทิฏฐิวิประยุต์เป็นเหตุใกล้มานะนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นดังความบ้า ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่สองคือโสมนัสหะคตะทิฏฐิคตะสัมปยุต ส, สังขารสังขารที่เหลือเวณมิจฉาทิฏฐิพึ่งทราบว่าสัมประโยชคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่สี่คือโสมนัสหคตะทิฏฐิกตะวิปยุต ส, สังขารแม้ในอากุศลวิญญาณดวงที่สี่นี้เล่า มานะก็เป็นสังขารในจำพวกอนิยตะเหมือนกันส่วนว่าในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งสังขารที่เหลือเว้นปีติถึงความสัมประโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่ห้าคืออุเบกขาสหคตะทิฏฐิคตะสัมปยุทธอสังขารและแม้สังขารที่สัมประโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่6 คืออุเบกขาสหคตะทิฏฐิคตะสัมปยุตสัังขานก็เหมือนสังขารที่สัมประโยชคะกับอคุศลวิญญาณดวงที่ห้าแปลกกันแต่ในดวงที่หกนี้เป็นสัจสังขารและทีนะมิทะเป็นอนิยตะในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอคุศลวิญญาณดวงที่ห้าสังขารที่เหลือเว้นทิฏฐิพึงทราบว่า สัมปโยคะกับอกุศลวิญญาณดวงที่เจ็ดคืออุเบกขาสหคตะทิติกต ะ, ตะวิปยุตอสังขารแต่ในอกุศลวิญญาณดวงที่เจ็ดนี้มานะเป็นอนิยตตาในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่หกสังขารที่เหลือเวนทิฐิพึงทราบว่า สัมะโยฆะกับอากุศลวิญญาณดวงที่แปดคืออุเบกขาสหคตะทิฏฐิกตะวิปยุตสสังขารแม้ในอากุศลวิญญาณดวงที่แปดนี้เล่ามานะก็เป็นสังขารในจำพวกอนิยตตะเหมือนกันแล อกุศลสังขารโทรสะมูลส8บปดส่วนในโทสะมูลสองอันดับแรกสังขารที่สัมปยุต ด, ด้วยอกุศลวิญญาณดวงที่หนึ่งคือโทมณสหคตะปฏิฆสัมปยุตสังขารมีส8ปดคือเป็นนิยตะมาโดยรูปของตนสิบเอ็ดเป็นเยวาปนากะสี เป็นอนิยตะสามในอากุศลสังขารสิบแปดนั้นสังขารสิบเอ็ดคือภัสสะเจตนาวิตกวิจารวิริยะชีวิตสมาธิอฮิริกะอโนตัปปะโทสะและโมหะเหล่านี้เป็นนิยตะมาเดียรูปของตนสังขารสี่คือฉันทะอธิโมกขุทจะมนัสสิการ นี้เป็นเยวาปนากะสสงขารสามคืออิสสามัชริยะกุกุจจะนี้เป็นอนิยตตาอธิบายอากุศลสังขารโทรสะมูลบางข้อโทสะ พึงทราบอัถะในบทเหล่านั้นดังนี้สัตว์ทั้งหลายย่อมประทุษร้ายด้วยเจตสิกธรรมนั้นเหตุนั้นเจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อว่าโทสะแปลว่าธรรมะเป็นเหตุประทุษร้ายแห่งสัตว์ทั้งหลายในยะหนึ่งเจตสิกธรรมใดย่อมประทุษร้ายอยู่เองเหตุนี้เจตสิกธรรมนั้น จึงชื่อว่าโทสะแปลว่าธรรมะอันประทุษร้ายในยะหนึ่งธรรมชาตินั้นศักว่าเป็นประทุษร้ายเท่านั้นจึงชื่อว่าโทสะแปลว่าความประทุษร้ายโทสะนั้นมีความดุเป็นลักษณะดังอสสรพิษที่ถูกตีมีความพุ่งพล่านไปเป็นกิจ ดังถูกพิษแทรกในยะหนึ่งมีอันเผาที่อาศัยของตนเสียเป็นกิจดังไฟปา่ามีความประทุสร้ายเป็นผลดังฆ่าศึกได้โอกาสมีอาคาตวัตถุคือเรื่องที่จะให้เกิดอาคาตเป็นเหตุใกล้ทษะนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นเหมือนน้ำมูดเน่าระคนด้วยยาพิษ ฉะนั้นอิ ส, สาความประพฤติหึงหวงชื่อว่าอิ ส, สาคือริษยาอิ ส, สานั้นมีความทนไม่ได้ต่อสมบัติคือความได้ดีของคนอื่นเป็นลักษณะมีความไม่ยินดีด้วยในสมบัติของผู้อื่นนั่นและเป็นกิจ มีความเบือนหน้าจากสมบัติของผู้อื่นนั้นเป็นผลมีสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้อิสสานี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นสังโยชน์คือเครื่องผูกมัดจิตมัชฌริยะความตรณี ชื่อว่ามัชชริยะมัชชริยะนั้นมีการปิดซ่อนสมบัติทั้งหลายของตนที่ได้มาแล้วหรือที่พึงได้ก็ตามไว้เป็นลักษณะมีความทนไม่ได้ต่อความที่สมบัติทั้งหลายของตนนั้นจะเป็นของที่ไปกับคนอื่นๆเป็นกิจมีความสยิวเป็นผลในยะหนึ่ง มีความเป็นเสื้อกราะที่รัดกุมคือความเหนียวแน่นเป็นผลมีสมบัติของตนเป็นเหตุใกล้มัจฉริยะนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นความผิดรูปคือพิการแห่งใจกุกกุจจัก การทำทางใจอันบันดิตเกลียดคือไม่ดีชื่อว่ากุกตะภาวะแห่งกุกตะนั้นชื่อว่ากุ ก, กุจจะแปลว่าความเป็นการทำทางใจอันบันดิตเกลียดกุ ก, กุจจะนั้นมีความทำให้ร้อนใจในภายหลังเป็นลักษณะมีความเศร้าใจถึงการที่ทำ และการที่ไม่ได้ทำเป็นกิจมีความเดือดร้อนเป็นผลมีการที่ทำและการที่ไม่ได้ทำเป็นเหตุใกล้กุกจุจจานี้บัณฑิตเพึงเห็นว่าเหมือนความเป็นธาตุอกุศลสังขารที่เหลือก็มีประการดังกล่าวแล้วนั่นแล สังขารสิปดที่กล่าวมานี้แลบัณฑิตพึงทราบว่าถึงความสัมประโยคนะกับอกุศลวิญญาณที่เป็นโทสะมูลดวงที่หนึ่งก็แลสังขารที่ถึงความสัมประโยคนะกับอกุศลวิญญาณโทสะมูลดวงที่หนึ่งเป็นชั้นใดแม้ที่ถึงความสัมประโยคนะกับโทสะมูลดวงที่สองก็ฉันนั้นแต่ความแปลกในดวงที่สองนี้ ก็คือเป็นสัตสังขารและในพวกอนิยตะมีธีนมิทะด้วยอกุศลสังขารโมหะมูลสิบสามส่วนในโมหะมูลสองว่าทางวิจิกิจชาสัมปยุตก่อนสังขารเป็นวิจิกิจชาสัมปยุตสิบสาม คือเป็นนิยตะมาเดียวรูปของตนสิเอดคือภัสสะเจตนาวิตกวิจารวิริยะชีวิตทิตะทิฏฐิคือความหยุดแห่งจิตอะฮิริกะอโนต ป, ปะโมหะวิจิกิจชาและเป็นเยวาปนากะสองคืออุทจจะและมณสิการในคำเหล่านั้น คำว่าจิตตะทิฏฐิหมายเอาอาการศักว่าความหยุดแห่งประวัติจิตคือเป็นขณะขณะได้แก่สมาธิอย่างอ่อนความแน่ใจปราดไปแล้วเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานั้นมีความสงสัยเป็นลักษณะมีอันไหวไปเป็นกิจ มีอันไม่ชี้ขาดเป็นผลในยะหนึ่งว่ามีอันถือเอาหลายอย่างเป็นผลมีความทำในใจโดยไม่ถูกทางในเพราะความลังเลเป็นเหตุใกล้วิจิกิจชานี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นธรรมชาติอันทำอันตรายคือขัดขวางแก่การปฏิบัติสังขาร คือวิจิกิจชาสัมปยุทธ์ที่เหลือก็มีประการดังกล่าวแล้วนั่นแหละว่าทางอุทจฉาสัมปยุทธ์ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในวิจิกิจชาสัมปยุทธ์เว้นวิจิกิชาสังขารที่เหลือสิบสองเป็นอุทธจฉาสัมปยุทธ์แต่เพราะในอุทธจฉาสัมปยุตธ์นี้ไม่มีวิจิกิชาอธิโมกคือความตัดสินใจ จึงเกิดขึ้นรวมกับอธิโมกนั้นก็เป็น1ิบาเหมือนกันและเพราะมีอธิโมกรวมจิตตทิฏฐิจึงเป็นสมาธิมีกำลังกว่าอันหนึ่งอุทธจะใดในอุทธะสัมปยุต์นี้อุทธะนั้นมาในรูปของตนแท้อธิโมกและมณสิการ มาโดยเป็นเ ย, ยวาปนากะแลสังขารที่เป็นอกุศลทั้งหลายพึงทราบโดยประการที่กล่าวมาชนนี้อัพยากฤตสังขารฝ่ายวิบากอเหตุกะวิบากในอัพยากฤษสังขารทั้งหลายอันดับแรก อพยากฤิสังขารฝ่ายวิบากมีสองโดยแยกเป็นอเหตุตุกะและใส่เหตุตุกะในสองอย่างนั้นอพยากฤตสังขารที่สัมปยุตยด้วยอเหตุกะวิปากะวิญญาณจัดเป็นอเหตุตุกะสังขารในอเหตุตุกะสังขารทั้งหลายนั้นข้อแรกสังขารที่สัมปยุตยด้วยจักขุวิญญาณทั้งที่เป็นกุศลวิบาก และอกุศลวิบากมีห้าคือสังขารที่มาโดยรูปของตนสี่คือพัสสะเจตนาชีวิตจิตตทิฏฐิที่เป็นเยาวาปนากะมีแต่มนาสิการอย่างเดียวแม้ที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตะวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณก็ห้านั่นแหละ ในมโนธาตุที่เป็นวิบากทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลมีแปดคือสังขารห้านั้นและวิตกวิจารณ์อธิโมกด้วยแม้ในอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุทั้งสามคืออุเบกขาสหคตะหรืออุเบกขาสหาระรคตสุขสหระรคตสมณสหระรคตก็อย่างนั้น แต่ในอเหตุุกะมโนวิญญาณธาตุนี้มโนวิญญาณธาตุใดเป็นโสมนัสสารคตปีติที่เกิดพร้อมกับมโนวิญญาณธาตุนั้นพึงทราบว่าเป็นอธิกะปีติคือปีติยิ่งสเหตุุกะวิบาก ส่วนอัพยากฤตสังขารที่สัมปยุตยด้วยสเหตุุกะวิปากะวิญญาณจัดเป็นสเหตุุกะสังขารในสเหตุุกะสังขารทั้งหลายนั้นข้อแรกสังขารที่สัมปยุตยด้วยกามาวาจะระวิปากะวิญญาณ8ก็เป็นเช่นเดียวกับสังขารที่สัมปยุตยด้วยกามาวาจะระกุศลวิญญาณ8นั่นเองแต่กรุณาและมุทิตาใด ในจำพวกนิยตสังขารกรุณาและมุทิตานั้นไม่มีในพวกวิปากะสังขารเพราะกะรุณาและมุทิตาเป็นสัตตาตารมณ์คือมีสัตว์เป็นอารมณ์ฝ่ายกามาวจระวิปากะสังขารทั้งหลายเป็นปริตตารมณ์คือมีกามาวจรธรรมเป็นอารมณ์ส่วนเดียว และมีใช่แต่กุ่ณาและมุธิตาเท่านั้นแม้วิรัตนทั้งหลายก็ไม่มีในพวกวิปากะสังขารเพราะท่านกล่าวว่าศิกขาบทหเป็นกุศลเท่านั้นส่วนอภพยากฤตสังขารทั้งหลายที่สัมปยุทธ์ด้วยวิปากะวิญญาณที่เป็นรูปาวจร อ, อรูปาวจรและโล ก, กุตระก็เป็นเช่นเดียวกับสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยกุศลวิญญาณ แห่งวิปากะวิญญาณเหล่านั้นนั่นเองอัพยากริสังขารฝ่ายกิริยาแม้อัพยากริสังขารฝ่ายกิริยาก็เป็นสองโดยแยกเป็นอเหตุกะและสะเหตุกะในสองอย่างนั้นอัพยากริสังขารทั้งหลายที่สัมปยุทธ์ด้วยอเหตุกะกิริยาวิญญาณ จัดเป็นอเหตุกะอเหตุุกะกิริยาสังขารเหล่านั้นก็เสมอกับสังขารที่ประกอบด้วยกุศลวิปากะมโนธาตุและอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุทั้งคู่แต่วิริยะที่ประกอบด้วยมโนวิญญาณธาตุทั้งคู่เป็นอธิกะวิริยะคือวิริยะยิ่ง และสมาธิก็เป็นสมาธิถึงซึ่งความมีกำลังเพราะมีวิริยะรวมนี่เป็นความแปลกในสังขารที่ประกอบด้วยมโนวิญญาณธาตุทั้งคู่นั้นส่วนอัพยากริตสังขารทั้งหลายที่สัมปยุต ด, ด้วยสเหตุกะกิริยาวิญญาณจัดเป็นสเหตุตุกะในสเหตตุกะกิริยาสังขารเหล่านั้นข้อแรก สังขารที่สัมปยุตด้วยกามาวจรากิริยาวิญญาณแปเป็นวิรัตก็เป็นเช่นเดียวกับสังขารที่สัมปยุตด้วยกามาวจรากุศล8สังขารที่สัมปยุตด้วยรูปาวจรากิริยาวิญญาณและอรูปาวจรากิริยาวิญญาณเหล่าก็เป็นเช่นสังขารที่สัมปยุตกับตัวกุศลวิญญาณแห่งกิริยาวิญญาณเหล่านั้นทุกประการเหมือนกันแล สังคารทั้งหลายแม้ที่เป็นอภพญากฤิบันดิตพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวมาชนี้นี้เป็นกถามุกอย่างพิสดารในสังขารขันาคาถากอย่างพิสดารในขันทั้งหลายตามนัยยะแห่งภาชนีในพระอภิธรรมเท่านี้ก่อน